บางคนนี่ติดในสีบ้างเลือกวิวทวทัศน์เป็นต้นหาเอาถือเอาวิวทวทัศน์เป็นปริมาณเนี่ยนะบางพวกก็เลือกเอาเสียงเป็นปริมาณว่าเออที่นี่มีแต่โลกของเสียงดนตรีเป็นต้นที่ตัวเองพอใจบางคนก็เลือกเอากลิ่น น, นะบางคนก็เลือกเอาทวารลิ้นอุยที่นี่มีแต่อาหารอร่อยถูกใจหมดเลยบางคนก็เลือกโพตภาภะคือเรียกว่าอากาศดี น, นะสบายดีสุขเป็นต้นเนี่ยนะก็สุขภาพดี สุขภาพดีจะให้อะไรจะได้มีชีวิตมีชีวิตทําไมกว่าจะได้ดูสีสวยๆฟังเสียงเพราะๆได้กลมกลิ่นหอมๆหาอร่ออร่อ ย, ออยกินไปเรื่อยอ น, นะจะได้รับกระทบโพธาภะจะได้ไปชิมบรรยากาศที่นั่นมั่งที่นี่มั่งก็ให้อยู่ยาวๆไว้มัได้เซเว่สิ่งนี้อันท อ, องยังตรัสว่าหมูสัตว์ทั้งหลายผู้เลือกเก็บดอกไม้มานคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธาะยังไม่ทันอิ่มเลยมัชชุราชก็คร่าไปสู่ที่ตาย นะไปสแสวงหาเคยมีใครหาแล้วประสบความสำเร็จบ้างไหมเจงกิสคารเนนะลาากตั้งแต่ชาวเผ่ามาเนี่ยนะลากบริวารลากเป็นบ้านเป็นเมืองเนี่ยลากเที่ยวฆ่าไปจนถึงทะเลในที่สุดได้อะไรก็ได้ตายไงพระเจ้าเล็กซานเดอร์มหาราชนี่ก็โอ้ยเที่ยวเข็นเที่ยวฆ่าไล่ฆ่ามาเรื่อยในที่สุดก็ไปตาย ไปเที่ยวเคนเที่ยวฆ่าคนอื่นก็เพื่ออะไรก็เพื่อจะได้พบรูปสวยๆพบเสียงเพราะๆได้รับกลิ่นหอมๆหา อ, อาหารอร่อยๆกินได้รับกระทบโลธรรมะที่ดีๆที่ตัวเองคิดว่าดีพันอายตนะสิบเหล่านี้คือสิ่งที่หมู่สัตว์ทั้งหลายไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแต่เชื่อไหมว่าอายตนะทั้งสิบเนี่ยมีมหาพูดเป็นเหตุใกล้นะมีมหาพูดเป็นเหตุใกล้แห่งตามีมหาพูดเป็นเหตุใกล้แห่งรูปมหาพูดเป็นเหตุใกล้ของหูใช่ไหม ตัวหูนี่มีมหาพูดเป็นเหตุใกล้เสียงก็มีมหาพูดเป็นเหตุใกล้ลิ้นมีมหาพูดเป็นเหตุใกล้รถก็มีมหาพูดเป็นเหตุใกล้ตัวกายมีมหาพูดเป็นเหตุใกล้โพธาภะก็คือตัวมหาพูดตรงๆและโพธาภะเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นเหตุใกล้ของมหาพูดอื่นๆอีกเฉะนั้นมหาพูดก็คือมหาผีเพราะฉะนั้นเราก็แสวงหาผีขอให้ผีได้หลอกนะนะขอให้ผีสวยๆมาหลอกเราขอให้ผีเสียงดีๆมาหลอกเราเนี่ยนะ ให้มีผีโชยเป่งกลิ่นหอมๆ ม, มาให้เราอ่ะนะก็คือให้กรลบกลิ่นเหม็นแล้วก็โชยแต่กลิ่นหอมมาให้เราได้เนี่ยนะให้ได้รับมหาผีอร่อยอร่อยดูว่าศพกุ้งอร่อยไหมอันนะั้นศพไก่เป็นยังไงอันนเป็นยังไงต้มยำศพไก่อย่างเงีนะเป็นยังไงน้ํามันพรายไก่อันะัข้าวคลุกน้ํามันพรายไก่อย่างเงน้เลยอ้าวจริงไม้มล่ะเอาข้าวมันไก่กับน้ำมันพรายไก่ต่างกันตรงไหนอะอืหน ข้าวศพหมูอย่างเงี้ยนะข้าวคลุกศพหมูอาเงี้ยนะเอาจริงๆอของตายเราเรียกอะไรกันแต่แม้เราเรียกซะจนไม่ปฏิกูลเรียกซะจนอริดอร่อยมากเป็นที่น่าชื่นชมเป็นที่น่าพอใจจะได้เพลินเยอะๆกินได้มากๆอร่อยมากๆเลยนะกินอะไรได้นี่นะก็เอาศพกุ้งศบไกบ่ศพสารพัดอย่างอนะไรมา มันโลกธรรมมันก็เป็นอย่างเออชีวิตของเราที่เกี่ยวข้องกับอายตนะทั้งหลายเนี่ยนะในทุกทวารเนี่ยเหตุใกล้ของทุกทวารก็คือมหาพูดพันในอดีตที่ผ่านมาชีวิตของเราคล้องในมหาพูดถูกมหาพูดเหล่านี้หลอกลวงเอาอนาคตต่อไปก็ไปให้ผีหลอกอีกเนี่ยนะไปหามหาพูดพูดมหาพูดไม่หลอกก็เดือดร้อนบังไปหามหาพูดใหม่ๆให้หลอกไปเรื่อยๆปัจจุบันนี้ก็หลงไหลใน มหาพูดซึ่งเหตุใกล้ของทุกเรื่องที่เราคิดถึงนะมหาพูดทั้งนั้นเลยมหาพูดทั้งนั้นเลยเพราะในโลกของอายตนะคือมน า, ายตนะความคิดของเราทั้งหลายก็คิดถึงแต่มหาพูดคิดถึงรูปคิดถึงเสียงเป็นนั่นก็คิดถึงมหาพูดนั่นแหละทีนี้มหาพูดเหล่านี้เนี่ยถ้าแจกไปแล้วเรียกว่าธาตุธาตุเหล่ า, า, านี้เป็นที่จัดแจงแห่งมหาทุกขทั้งมวลคำว่าธาตุนี้โดยความหมายแปลว่าจัดแจงแห่งสภาวะทุกเป็นอเนก ทุกเป็นอเนกทุกเป็นอันมากในโลกนี้มีธาตุเป็นเป็นตัวจัดแจงมีธาตุเป็นเหตุใกล้ก็ก็อยู่อย่างนี้เพราะอดีตที่ผ่านมาก็คือกองทุกขคือธาตุที่จัดแจงให้ได้รับทุกข์โดยประการต่างๆอานาคตต่อไปแสวงหาธาตุเพื่อให้ธาตุเหล่านั้นจัดแจงทุกขมีอย่างต่างๆให้เราธาตุที่มีอยู่ในปัจจุบันมันก็จัดแจงทุกขโดยอเนกประการให้แก่แก่เราทั้งหลายเพราะอดีตธาตุจัดแจงทุกอานาคตจัดธาตุทั้งหลายจัดแจงทุก ปัจจุบันกองธาตุทั้งหลายก็กาลังจัดแจงทุกธาตุดินคือผมเนี่ยจัดแจงให้เราทุกอะไรบ้าง น, นะเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดเป็นต้นเนี่ยนะมันช่วยทำให้เราจัดแจงทุกอะไรบ้างคนมีไตต้องมาฟอกไตเป็นต้นเนี่ยนะธาตุคือไตมันจัดแจงทุกอะไรให้บ้างธาตุคือร่างกายเนี่ยธาตุคือปฐวีอาปโปเตโชวาโย ο, าธาตุคือจักขู่าธาตุรูปประาธาตุจักขูวิญญาณาธาตุเป็นต้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จัดแจงสังขารทุกข์จัดแจงสังสารทุกข์ในอดีตมันก็จัดแจงทุกอนาคตต่อไปมันก็จัดแจงทุกทุกทั้งมวลที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เราได้เห็นได้ยินที่เรารู้สึกนึกคิดกองทุกทั้งมวลเหล่านั้นก็มีาธาตุเป็นตัวจัดแจงเ น, นาาธาตุเป็นตัวจัดแจงทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์ก็คือหนึ่งเราเนี่ยลุ่มหลงสิ่งในอดีตว่ามันดีคาดหวังอนาคตว่ามันน่าจะดีปัจจุบันนี้แนวโน้มว่าจะดีขึ้นใช่ไหมเอา้าก็หวังกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละใครไม่หวังอย่างนี้บ้างเอาอดีตที่ผ่านมาก็ไม่เลวร้ายจนเกินไปพอทนได้ อนาคตต้องดีสิเพราะแหมปัจจุบันเราเก่งเหลือเกินวางแผนได้เรียบร้อยหมดอนาคตต้องดีอย่างเดียวปัจจุบันถึงมีเรื่องเสียหายบ้างมีอะไรบ้างโอ้เดี๋ยวจัดการได้ดีหมดก็หวังอย่างนี้นะสำเร็จไหมไม่กี่คนนะที่สําเร็จแต่คนที่สําเร็จก็ไม่สําเร็จอีกวันยังค่้มนั่นแหละนะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีจัดแจงภายนอกเสร็จมันดันเล่นงานภายในจัดแจงภายในเสร็จภายนอ ก, กวับยับเยินหมดเลยอย่างนี้นะ ก็อยู่อย่างนี้ก็เลยไม่มีใครประสบความสําเร็จจริงในการจัดแจงกองทุกขก็จัดแจงทุกอันหนึ่งทุกอีกอันหนึ่งก็เกิดขึ้นจัดแจงมันเหมือนกับว่าเราเลี้ยงเด็กกระจรงเงองงสัก50คนอะไรจะเกิดขึ้นไปปลอบไอ้นั้นหายเงียบไปนะไอ้นั่นก็ร้องขึ้นมาแหกลั่นมาอีกไปปลอบไอ้นั้นหายเงียบมนันขึ้นมาอีกแล้วอยู่อย่างนี้ถามว่าหนกไหม คนที่ชอบเลี้ยงเด็กกบอกมีความสุขมากอนะอคนนี้ก็ปลอบคนนั้นอ่ะคนนั้นร้องก็ปลอบคนนั้นอ่ะคนนี่ก็กระจององอะไอ่ย้ยดีหมดเลยมองแล้วสรุปว่าบางคนก็มีความสุขกับการเป็นเช่นนั้นแต่บางคนบอกอุย้ยนี่มหาภาระทั้งนั้นเลยนะนี่คือกองทุกข์ทั้งนั้นฉะนันคนที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยจะต้องมองเห็นชีวิตว่ามันน่าจะได้รับความสุขกว่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ควรจะได้ประสบสิ่งที่เป็น สกกว่านี้ทุกเหล่านี้เนี่ยมันจัดแจงไม่มีใครทําเสร็จไม่มีใครทําสิ้นไม่มีใครสะสางได้จริงมีแต่ไปเพิ่มกองทุกเพิ่มกองทุกมันศึกษาพระธรรมคําคสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเพื่อจะได้ประสบสิ่งที่ดับสิ่งเหล่านี้สักทีหนึ่ง น, นะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกองทุกพันการรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทั้งอดีตอนาคตรู้เหตุรู้ผลเชื่อมโยงกันคือการรู้ทุกข์สัตว์กับ สมุทัยสัจจะเนี่ยนะการพิจารณาทุกข์และสมุ ท, ทัยเพราะในอดีตกองทุกทั้งหลายสมุทัยก็จัดแจงขึ้นอน า, าคตต่อไปทุกทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นก็คือสมุ ท, ทัยนั่นแหละจัดแจงขึ้นทุกที่มีอยู่ในปัจจุบันกองทุกทั้งมวลเหล่านี้ก็มีสมุทัยเป็นตัวจัดแจงขึ้นสมุทัยแปลว่าเหตุเกิดมันมีเหตุเป็นแดนเกิดเป็นตัวจัดแจงอดีตเหตุเป็นตัวจัดแจ ง, ป, จแจงปัจจุบันก็มีมีเหตุเป็นตัวจัดแจง อนาคตต่อไปก็เหตุนั่นแหละเป็นตัวจัดแจงธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุเกิดของธรรมเหล่านั้นเพราะว่าธรรมเหล่านั้นทุกเรื่องทุกธรรมทุกขันทุกธาตุทุกอายตนะมีเหตุจัดแจงมันขึ้นเหตุหลักๆที่จัดแจงก็คืออะไรขันธาตุอายตนะในอดีตที่ถูกตัวจัดจานตัวจัดแจงก็คืออวิชชาตันหากรรมอาหารภาษะและนามรูป เป็นตัวจัดแจงขันห้าให้เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ที่เรากําลังเป็นอยู่ก็มีอวิชาตันหากรรมอาหารนามรูปพรรษะเนี่ยนะเป็นตัวจัดแจงปรุงแต่งกองทุกเหล่านี้ขึ้นอนาคตที่จะมีต่อไปอนาคตพบต่อไปอนาคตชาติต่ อ, ต, อต่อไปก็มีมีอะไรอวิชาตันหาอุปาทานกรรมพัรษะนามรูปอาหาร พวกนี้เป็นตัวจัดแจงปรุงแต่งขึ้นทีนี้ในบรรดาปัจจัยที่ปรุงแต่งจัดแจงหลักจริงๆที่น่ากลัวที่สุดก็คืออวิชากับภวะตันหาอาวิชากับตันหาเนี่ยเลวร้ายที่สุดนะนะแต่เป็นสิ่งที่คนชื่นชอบที่สุดเออเอาทีบอกว่าท้าทูตตามอันนี้เราเรียนของธรรมะของพระพุทธเจ้านะเราก็ต้องพูดตามพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราบริโภคเข้าปัจจัยของพระพุทธเจ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ต้องโวยวายตามพระพุทธเจ้าไว้ก่อนนะ เราจะชอบก็ไม่เป็นไรด้แต่เราว่าตามพุทธเจ้ากันนะคือจริงๆอ่ะนะสมมุติว่าเออรูปสวยๆเนี่ยเราชอบชอบนะพระพุทธเจ้าบอกเลวร้ายมากไอ้ความชอบตัวนั้นเราก็ว่าตามนะนะเราเป็นเรสมัครเป็นลูกศษิษย์ท่านนะนะเราจะชอบขนาดไหนเราก็บอกมันเลวร้ายมากไอ้ความตัวชอบตัวนี้อาหารอร่อยอร่อยไหมบอกอร่อยมากความอร่อยดีไหมเลวมากมือัทั้งทั้งที่เราก็บอกแหมชอบมากไอ้ความอริดอร่อยตัวนี้นะเราสมาทานเห็นตามพระพุทธเจ้าก่อนนะเนี่ย มันบางทีเราก็บอกโอ้ดีจริงจงเลยในความรู้สึกของเราดีมากเลยพระพุทธเจ้าบอกเลวมาก เ, าเราก็ว่าเลวตามพระพุทธเจ้าไปก่อนนะนะค่อยอธิบายทีหลังเหมือนกันไม่รู้ว่าเชื่อตัวเองมานานแล้วไม่ได้ดิบได้ดีอะไรขอเชื่อพระพุทธเจ้าบ้างเถอะก็มีบางคนก็บอกโอ๊ยเชื่อคนอื่นเชื่อมาเยอะแล้วเชื่อมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติชาตินี้ขอเชื่อพระพุทธเจ้าสักชาติจะเป็นอะไรไป แตนะขอพูดตามคิดตามนึกตามนึกตามพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ดีนะแล้วค่อยว่าอีกทีเรายังมีเวลาเหลือเฟือในวัตฏะที่จะไปเชื่อคนอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมพราเออเวลาที่เราจะได้เชื่อพระพุทธเจ้าแบบชาตินี้หายากมากโอกาสจังหวะเหตุปัจจัยที่จะให้ได้เชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยยากนะที่จะได้มีโอกาสได้อ่านได้ศึกษาได้ท่องได้จําได้มานึกตามคิดตามแบ่งเวลาอย่างนี้หายากมาก แต่เวลาที่เราจะไปเอาเรื่องอื่นนั้นไม่ค่อยยากเนี่ยนะเพราะชาติต่อ ต, อตอไปเนี่ยผู้าศาสนาก็เกือบหมดแล้วนะของเราถ้ากลับมาใหม่ผู้าศาสนาหมดเลยทีนี้เรามีเวลาเลือกาศาสดาใหม่ใหม่ไปเรื่อยแล้วใครจะสอนเราอะไรเราก็ไปเลือกอ่าเขาว่าอย่างงี้เลยอ่าไปเชื่อเขาเขาสอนวิชานั้นอ่าไปเชื่อเขาเอีกวิชานู้นวิชานู้นเราไปเชื่อเขาหมดเลรอเชื่อถะ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าแล้วไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าผู้ที่จะประสบความสําเร็จก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพุทธสามนะสัมมาสัมพุทธ พระพุทธเจ้าแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าและพระสาวกกับพุทธเจ้ามันถ้าเราก็อย่างว่าเราทั้งหลายก็ปฏิญาณว่าเป็นสาวกเพราะฉะนั้นขอรู้ขอเห็นขอคิดขอพูดขอตามพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะพุทธังสารานังฆาฉามิเราพูดกันอย่างนั้นไม่ใช่หรือแล้วก็ว่าอย่างนั้นนี่พุทธังสารานังฆาฉามิ ทำมังสารนังกัฉามิพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนบอกขัน ท, ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันขันเหล่านี้เลวร้ายมาก อ, อันนี้จังทุกขังอนาตาเราจะชอบเระจะยังไงก็ว่าตามท่านไปก่อนขันนั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นโรคเป็นดังหัวฝีพอกิเลสเรามันสางขึ้นสางขึ้นเออจริงนะพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกเราเลยจริงแท้เนี่ยนะคำของพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยจริงแท้มีนะสมัยพุทธกาลมีพระเถรีอยู่รูปหนึ่งนางอัมพปาลี คือเกิดมาเป็นคนสวยมากสวยจนถึงขนาดว่าลูกกัตริย์นี่ต้องทะเลาะกันเพื่อจะแย่งชิงนางอัมพปาลีเนี่ยก็นี่เมื่อเจ้าชายทั้งหลายทั้งเกือบทั้งเมืองอะ่ะมาชิงนางเข้าเนี่ยโอ้ยสงครามบ้านเมืองจะเกิดเน่บ้านเมืองนี่ปันป่นป่วนหมด น, น, นะนะเพราะทุกคนก็จะเอาแต่นางไปเป็นภรรยาของตนก็เลยฟ้องศาลขึ้นว่าใครควรจะได้รับนางคนนี้ไปศาลก็หนักใจมากเลยนะก็ได้ข้อสรุปศาลประชุมกันแล้วว่า นางควรเป็นของกลางนะนะใครอยากได้นางก็คืนละพันกันละกันอย่างเงี้ยนะก็เลยกลายเป็นโสภาณีประจําเมืองนนทีนี้ตอนหลังเนี่ยนางก็พระเจ้าพิมพิสารก็ไปไปกับ น, นางอ่ะนะไปไปอยู่ร่วมกับ น, นางระยะหนึ่งก็ได้ลูกชื่อว่าพระนาคาสมาละเนี่ยนะทีนี้ตอนหลังพระนาคาสมาละออกบวชก็เป็นพระอรหันต์ก็เลยไปสอนแม่ไปแนะนําแม่ตอนหลังนางอัมพปาลีก็ออกบวช พอออกบวชนะการเจริญวิปัสนาของนางอัมพปาลีเนี่ยน่าสนใจพอมาว่าใครเจริญไม่ได้อะไรมากก็ไปเจริญแบบนางอัมพปาลีก็ได้อ น, นะัเมื่อก่อนผมของข้าพเจ้าส ว, สวยสวยงามมากแต่บัดนี้ผมของข้าพเจ้าเป็นยังไงอันนะั้นเราพูดได้เลยใช่ไหมเมื่อก่อนนะผมไม่เป็นอย่างนี้หรอกและตอนนี้นะก็ว่าไปมันเหมือนอะไรเหมือนแล้วก็ว่าไปนยนะเมื่อก่อนนะผิวของข้าพเจ้าก็งามแต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอันนะ เมื่อก hey, like. hmm. <aliśmy> <sm> ่อนนะเล็บของข้าพเจ้ากองามเช่น like นั like ้นเช่นนั้นตอนนี้เป็นยังไงเมื่อก่อนแขนของข้าพเจ้าเป็นยังไงนิ้วมือเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงอ่ะก็สามารถเปรียบเทียบอย่างนั้นได้นั่นแหละบอกคําที่พระพุทธเจ้าตรัสนี้จริงแท้ก็คือนางคิดถึงชราและมรณะคิดถึงความเป็นอนิจจังของสีระร่างกายคิดถึงความไม่เป็นสาระของร่างกายเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะแต่แสดงว่าเมื่อก่อนไม่ใช่ตอนนี้แล้วนะเมื่อก่อนนะเคยรวย เมื่อก่อนนะเคยสวยเมื่อก่อนนะอุย้ยสุขภาพแข็งแรงมากแสดงว่าตอนที่พูดนี้ป่วยนะใช่ไหมเมื่อก่อนนะเมื่อก่อ น, นเคยอย่างนั้นเคยอย่างนี้แสดงว่าตอนนี้ตรงกันข้ามหมดเลยนะนั่นกนะ็ถ้าใครพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆก็จะเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำว่าพระพุทธเจ้าแนะนำให้เราเห็นเช่นนี้นะนายนดเอาไปคิดอย่างนี้ได้เล ย, ย, เ, ลยเมื่อก่อนผมของข้าพเจ้านะนั่นนะ จำได้เลยในะตอนนั้นเมื่อตอนนั้นนั้นนิ้วของข้าพเจ้าเป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ทาใจลาบากกันนะก็ต้องทำใจเพราะอยู่ด้วยกันทุกวันะนะไปที่ไหนก็โยกสังขารอันนี้ไปด้วยนี่แหละก็เป็นอย่างนี้แหละการพิจารณาพวกนี้นะก็อย่างว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยคนที่เจริญอย่างนี้ต้องไม่เบื่อหน่ายในการพิจารณาเพราะว่าการพิจารณานั่นแหละคือ สัมาธิฏิสมาธิฏิเนี่ย em. นะสมณะปัญญาที่พิจารณาพิจารณาจนกว่าจะรู้ว่าสังขารในอดีตเป็นที่ตั้งแห่งอะไรเป็นที่ตั้งแหง่งตันหาสังขารในอนาคตก็เป็นที่ตั้งแ ห, งห่งนน ต, ตันหาสังขารที่กําลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ตั้งแหง่งตันหาเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหล เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินคือตัวสังขารเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งตันหาเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินแต่ตัวมันเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นตัวสังขารทั้งหลายไม่ตัวมันเองจริงๆแล้วไม่ได้น่าเพลิดเพลินอะไรแต่มันสะท้อนออกมาว่าหน้าเพลิดเพลินเห็นไหมเหมือนจริงๆก็เหมือนกับอะไรนะเหมือนกองไฟที่มันสว่างลุกโผล่เนี่ยนะมันเป็นที่น่าเพลิดเพลินใจมากสําหรับแมงเมาทั้งหลาย แมงมีปีกแมงบินทั้งหลายมองบอกหุยมันน่าเพลิดเพลินจริงๆเลยนะกองไฟอันนั้นก็เลยมาเล่นไฟพอมาเล่นไฟแล้วเป็นยังไงก็บินเข้ากองไฟเนี่ยโฉบไปทีเดียวปีกหักไปข้างหนึ่งตัวเองก็ร่วงหล่นลงสู่กองไฟนะสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้มากเนี่ยนะสังเกต ด, ดูตามถนนเวลาฝนตกต่างจังหวัดนี่มากเลยก็เห็นแกกองไฟก็มาบินว่อนรถมาก็เหยียบตายเป็นพัน นะรถมาเหยียบตายทีละพันธ์ 2,000 เป็นต้นเนี่ยนะไม่ออกข่าวเลยสักข่าวเดียวอบายทั้งหลายชรามรณนะเท่านี้เนี่ยนะไม่ออกข่าวนะเราก็เลยไม่ค่อยได้สลดสังเวชใจนะจริงแล้วหมู่อบายเนี่ยตายเยอะจริ ง, รงเพราะในโลกนี้สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเลยคือชรามรณะเนี่ยนะนะชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาการพิจารณาอย่างนี้นี่แหละคือเรียกว่าในโต40ใช่ โต40มีอะไรบ้างชาติธรรมโตพยาธิธรรมโตมรณะธรมโโะธรมโตโศกธรรมโตนะปริเทวะธรรมโตอุปายาสะธรรมโตสังกิเลสิกะธรรมโตว <het> พวกนี้อะไปคือวัตถุที่มีความเกิดเป็นปกติมีชาราเป็นปกติมีพยาธิเป็นปกติมีความตายเป็นปกติแล้วก็เป็นที่ตั้งเหตุแห Ä ่งโศกะธรรมะตัวหลังแปล ว, ว่าเหตุแห่งโศกะปริเทวะนนเป็นเหตุแห่งความขับแค้นใจเป็นเหตุแห่ง เป็นเหตุแห่งอะไรบ้างเป็นเหตุแห่งความเศร้ามองด้วยตัณหามานะและทิฏฐิปกติหมูสัตว์ทั้งหลายหลงชื่นชมในสังขารธรรมทั้งหลายว่าสังขารดีเหลือเกินดีมากแต่ตรงกันข้ามเลยนะสภาพที่เป็นจริงของสังขารเป็นยังไงคือสมมุติเราชมมหาโจรโอ้ยมหาคนคนนี้นะเราไม่รู้จักก็จริงๆก็คือมหาโจรที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยนะโอ้ยทําไมดีจริงเนอดีจริง เขนะามีเรื่องหนึ่งในยมโกวาทสูตรนะพระสูตรที่พระสารีบุตรสอนท่านพญ ม, มะกษัตริย์บอกท่านยญ ม, มะกะเหมือนอย่างว่าเหมือนอย่างว่ามีครห บ, บดีคนหนึ่งมีคนหมายปองจะฆ่าเนี่ยนะมีคนหมายปองอยากจะฆ่าเศรษฐีคนนี้หรือว่าเศรษฐีบุตรคนนี้เหลือเกินเนี่นยนะเขาถือว่าเป็นศัตรคูคู่เวรคู่อาฆาตกันมานานแล้ว มันจะต้องฆ่าเศรษฐีคนนี้ให้ได้พอวางแผนเบ็ดเสร็จยังไงก็ต้องฆ่า น, นะะไม่สามารถทําโดยประการอื่นฆ่าโดยส่วนเดียวเอ๊ทีเนี่คงจะฆ่าเศรษฐีคนนี้ไม่ได้อารักขาดีเลือเกินเนี่ยนะคอยปกปักรักษาเราเออพวกมีข้าทาสกับบริวารกรรมกรเต็มไปหมดเลยในการดูแลปลกปักรักษาเอ๊ทํายังไงจะฆ่าได้เอางี้ก็แล้วกั น, กนไปสมัครเป็นคนงานผู้ซื่อสัตย์เนี่ยนะ เป็นขี้ค่ารับใช้นายนะเงินเดือนไม่เกียงขอให้รับผมทำงานเถือ่อย่างนะก็นะก็ขอให้รับผมเลี้ยงผมเป็นขี้ค่าก็ยังดีนะให้ข้าวผมกินไปวันวันหนึ่งก็พอใจแล้วอะไรก็แบบเนี้ยก็เลยไปสมัครเป็นข้าทาดรับใช้เศรษฐีก็บอกเออนี่ดูตาตามมันซื่อๆดีรับมันไว้ ก็เลยเจ้านี่ก็ทําเป็นที่ถูก อ, อกถูกใจหมดเลยตือนก่อนนอนที่หลังกอยปรนนิบัติรับใช้เตือนเช้ามาโอ้เตรียมน้ําเตรียมอะไรให้เบ็ดเสร็จล้างหนะ้าแปรงฟันทําหมงห้าอาหารให้กินดูแลข้าวของเครื่องใช้เรียบร้อยหมดเนี่ยนะก่อนจะหลับจะนอนก็บีบนวดให้เศรษฐีเรียบร้อยถึงก็ไปหลับไปนอนเศรษฐีหลับแล้วตัวเองจึงนอนหลับดูแลปกปักรักษาอย่างนี้ปีแล้วปีเล่าผ่านไป3มปีผ่านไป4ปีผ่านไปเป็นคี่ค่าที่นายรักที่สุด ธนุธนอม ห, ห่วงแหนที่สุดไว้ใจที่สุดเนี่ยให้ดูแลการเงินการทองให้ดูแลสารพัดอย่างทุกอย่างเพราะเป็นคนสนิทที่สุดเพราะฉะนั้นยามจะไปที่ใดก็จะพาเจ้าคนนี้ไปด้วยหวัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ก็พาไปเที่ยวสวนนะปกติเศรษฐีสมัยก่อนก็ถือดาบใช่ไถือดาบก็ห้ง่วงจะหลับแล้วแกถือดาบให้ฉันหน่อยก็หลับไป น, นายคนนี้บอกแหมจังหวะที่มาลุกก่อนนอนทีหลังรับใช้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างหน้าถูกด่าบ้างเป็นต้นก็ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏก็รอวันนี้ก็เลยเชื่อดอ่านะชักดาบมาแล้วตัดคอฉับเข้าไปเรียบร้อยทีนี้ถ้าตั้งคำถามว่านายผู้เป็นทาสคนนี้เนี่ยนะเป็นโจรตั้งแต่เมื่อเออเป็นศัตรูตั้งแต่เมื่ อ, อไหร่เฉพาะตอนฆ่าหรือใช่ไหม ตอนที่เขาปรนนิบัติอุปถัมนี่ก็เชื่อว่าเป็นเป็นเพชฌฆาตตอนที่มาสมัครงานก็คือเพชฌฆาตมาฉันใดก็ดีเราทั้งหลายเนี่ยเลี้ยงดูขันห้าก็เหมือนกันนะเลี้ยงดูรูปเนะี่ยเลี้ยงดูอย่างดีเลี้ยงดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างดีตอนเด็กตอนหนุ่มตอนสาวนะมันซื่อสัตว์ทุกเรื่องนะว่านอนสอนง่ายหมดเลยใช่ไหมบอกรูปอ่ะจงวิ่งอ่ะวิ่งโอ้ยกินะกินเม็ดก็ไม่เหนื่อยเนี่ยนะ บอกเวทนาเป็นสุขอู้ยสุขมากนะสัญญากว่าจำแม่นอุ้ยจำอะไรก็ได้หมดอนะอเจตนาจะทํากายกรรมวจีกรร ม, มโนกรรมใดก็สําเร็จรุ่งรุงดังใจหวังหมดวิญญาณเนี่ยก็อุ้สมความปรารถนาหมดสรุปว่าขันห้าเนี่ยนะเป็นอย่างนี้แต่หลังจากนั้นขันห้าคือตัวชราและมรณะในที่สุดจะเรียกว่าขันห้าเป็นผู้ฆ่าเฉพาะปัจจุบันนี้หรือไม่ใช่มันกั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะขันห้าก็มาเพื่อจะฆ่า ปัจจุบันนี้ขันห้าก็ฆ่าอนาคตต่อไปขันห้าก็คือผู้ฆ่าเขาเรียกว่าวักทะกตวัฏทะกตขันหา้าคือผู้ฆ่าวักะคือผู้ฆานะลองพิจารณาขันหา้าโดยความเป็นผู้ฆ่าในอดีตที่ผ่านมาขันห้าก็ฆ่าเราทั้งหลายมาเท่าไรแล้วอนาคตต่อไปถ้าเราจะมีขันห้าอีกก็เพื่อมาให้ฆ่าเราปัจจุบันที่มีขันหา้ารับใช้ขันห้าก็รับใช้ผู้ฆ่า นนเดี๋ยวเดี๋ยวตามันจะฆ่าเราหูจะฆ่าเราจมูกจะฆ่าเราลิ้นจะฆ่าเราเดี๋ยวหัวใจมันจะฆ่าเราเดียวตับมันจะฆ่าไม่รู้ตรงไหนมันแม่นแล้วแต่มันจะเลือกฆ่านะรูปฆ่ารูปรูปฆ่าน้ําน้ําฆ่ารูปเวทนาฆ่ารูปน้ำฆ่าเวทนาก็ไล่ฆ่ากันไปเห็นฆ่ากันมาในที่สุดเลยถูกเผาเลยแั่นี้นะมันก็ต้องหมั่นพิจารณาแบบนี้บ่อยๆท่านการพิจารณาอย่างเนี้คือการทําตีรณะปริญญาใครครวญจนมองไม่เห็นว่า วัตถุใดเลยนะที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเจริญใจไม่มีคือที่จะไปไว้วางใจเลยไม่มีเนี่ยนะไม่มีความไว้วางใจขันห้าโดยประการทั้งปวงทีนี้ถ้าฟังไม่ดีบอกเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นที่สบายใจบ้างเลยหรือ อันนั้นน่าจะให้แบบอะไรนะให้เราแบบมีที่ที่สบายๆอยู่บ้างนะคิดถึงขันเวทนาสัญญานึกถึงอะไรที่มันดีๆบ้างสิทาไมพูดถึงแต่ความเลวร้ายของขันทั้งหมดอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้านี่ไม่อยากให้เรามีความสุขหรื อ, อยังไงเนาะใช่ไหมพูดถึงแต่ความเลวร้ายของขันห้าเพราะอะไรทำไมเพราะอะไรทาไมก็ก็เล่าให้ฟังเออความเลวร้ายของขันห้ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็ถ้าเราชื่นชมขันห้ชื่นชมขันใดแล้วไม่หลังน้ำตาจากขันนั้นมีไหมไม่มีเดี๋ยวก็โสกปริเทวะทุกโทโมนัตและอุปาญาตมาจากขันเหล่านั้นถ้ายิ่งขันเหล่านั้นหน้าปรารถนาเท่าไหร่เราคิดว่ามันดีเท่าไหร่นะขันนั้นจะทำทุกให้แกเรามากเท่านั้นสรุปว่าเราชื่นชมขันใดขันนั้นเนี่ยจะให้ทุกเราหาประมาณไม่ได้หาให้ทุกเราหาที่สุดไม่ได้ เพราะขันเป็นที่ตั้งแห่งความชื่นชมขันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเนี่ยเมื่อเรารู้อย่างนี้พับจิตของเราก็น้อมเพื่อที่จะจะออกจากขันเหล่านั้นเหล่านั้นทีนี้สำหรับหมูสัตว์ผู้สังสมกา ม, มาสวะมนุ่ น, านนานเนี่ยนะปรารบขันเมื่อไรก็ชื่นใจเนี่ยปรารพเวทนาเมื่อไหรก็ชื่นใจปรารบสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเนี่ยนะ แหมนานกว่าจะนึกถึงคำคำเตือนจากพระพุทธเจ้ามาทีหนึ่งบอกขันมันไม่ดีนะก็โอ้ยกว่าจะนึกออกนะวันนี้ใครนึกถึงโตสี่สิบบ่อยไหมเจะหมวยนึกบ่อยไหมโอ๊ยเมื่อไหร่ไม่รู้คําพระพุทธเจ้าจะแว่ออกมาสักทีหนึ่งอันิีจะโตเนี่ยนะเพลินชื่นชมขันนั่นมาตัางนานโอ้ยนี้ดีจังนะสุขยิงเลยมีความสุขมากนะกว่าจะนึกถึงทุกขโตก็โอ้ยนานเต็มที เมื่อเมื่อเราทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นเข้าเนี่ยนะจิตของเราก็เลยเป็นไปกับบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเป็นไปกับนะคือคือเป็นคนที่มีปกติบูชาศัตรูนะเป็นผู้มีปกติชื่นชมศัตรูคือขันห้าขันห้าจะเป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็คือว่าจักะโตคือผู้ฆ่าอยู่วันยังค่ํานะคือผู้ฆ่าวันผู้ใดมีปกติสรรเสริญขันห้า ก็มีปกติสรรเสริญคนที่จะตัดคอเราทั้งหลายตัดคอจากวัดตัดตัดคออะไรคือตัวที่จะทำให้เราเกิดในสุขติเนี่คืออะไรศีลสมถะวิปัสนาศีลเนี่ททำให้เกิดในสุขติภพวิปสมถะก็เป็นปัจจัยให้เกิดในพรหมโลกเป็นต้นนี่นะทีนี้ถ้าหากว่าเราเป็นผู้มีปกติชื่นชมขันห้าขันห้ามันก็ฆ่าศีลของเราที่จะนำเกิดใน สุขติพบขันห้าก็ฆ่าสมถะขันห้าเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งการทำลายอวิชชาเพราะถ้าเราชื่นชมขันห้าตามมาด้วยความทุศินเี๋นะโดยมากตามมาด้วยความทุศินสมถาวิปัสสนาก็ไม่ไม่เจริญเนีย่ยนะพะฉะนั้นคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยในะส่วนหนึ่งคือคนที่มีความรักในในในเรนรูปมีความอารักอย่างแรงกล้าในรูปมีความรักอย่างแรงกล้าใน กามมีความทะเยอทะยานต้องการหรือว่าชอบใจอย่างเนียวแน่นในกายรักในรูปรักในกามแล้วก็รักในร่างกายคนเหล่านี้จะไม่ยอมเจริญกุศลธรรมเลยก็มีความมีปกติอะไรมีปกติแต่งรูปแต่งกามคุณมีปกติแต่งร่างกายเนี่ยนะก็มีปกติอยู่เช่นนั้นเมื่อมีชีวิตมีปกติอยู่เช่นนั้นเนี่ยนะเขาไปแต่งในสิ่งที่มัน มันไม่ดีจริงอะนะแต่งยังไงมันก็ไม่ไม่ประสบความสําเร็จหรอกวางกันเถอะแต่งยังไงก็ไม่ประสบความสําเร็จหรอกเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ดีจริงเนี่ยนะเมื่อขันห้าไม่ได้ดีจริงเนี่ยนะเรามีปกติทั้งหลายชื่นชมเพลิดเพลิน อ, อยู่ในขันห้าเนี่ยนะดังนัการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะการพิจารณาทั้งที่กล่าวไปวันก่อนว่ารูปสัตตกะและอรูปสัตตกะนั้นอนะเป็นการตามเห็นโทษของขันห้าเท่าที่มันมีอยู่จริง นนะตามพิจารณาเห็นโทษของขันห้าเท่าที่มีอยู่จริงซึ่งปกติเราทั้งหลายเป็นผู้ชื่นชมขันห้าตามที่ไม่เป็นอยู่จริงอันนี้นี่คือปกติชีวิตของเรานะเป็นผู้เจริญอัศาธะใช่ไหมตามชื่นชมขันห้าไม่จริงเลยแต่เราก็ชมว่ามันมันจริงเนี่ยนะที่นั่นดีนะเนี่ยนะจริงไหมล่ะแต่เราก็ชมอยู่ตลอดเวลาใช่มเราก็ชมว่าเออที่นั่นก็ดีที่นี่ก็ใช้ได้นั่นก็ไม่เลว เป็นต้นนั้นลักษณะการชื่นชมขันท่าแต่ผู้ที่อบรมปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เราเคยชมเราชมมามากแล้วที่นี้เราลองดูโทษภัยตามความเป็นจริงแล้วนะว่าเขามีโทษมีภัยมีความเสียหายมีความเดือดร้อนมีความลําบากเช่นไรบ้างก็เอาข้อมูลตามที่พระพุทธเจ้ามามาสอนไวอันนี้จริงจริงไมเนยนะขันทั้งหลายในอดีตอนาคตปัจจุบันอันนี้จังจริงไหมเป็นทุกข์จริงไหมเป็น อน cook, ัตตาจริงไหมเป็นโรคจริงไหมเป็นฝ well ีจริงไหมเป็นลูกศรจริงไหมเป็นความลําบากจริงไหมเป็นความคับแค้นจริงไหมเป็นผู้ฆ่าจริงไหมพึ่งไม่ได้จริงไหมไม่มีที่พึ่งจริงไหมเป็นต้นเนี่ยเป็นของที่มีความเกิดความแก่ความตายเป็นปกติจริงไหมเป็นเหตุแห่งความโศกความเสียใจความพิไรรําพันความไม่สบายใจเป็นต้นจริงไหมเป็นสิ่งที่ตั้งแห่งความชั่วสารพัดชนิดในโลกใช่ไหมเนี่ยนะอันนี้ก็คือโจทย์ที่พระองค์บอกว่าเธอไปตามเก็บข้อมูลดู ตามเก็บข้อมูลตามวิจัยดูพระองค์บอกว่าเราตามพิจารณาเห็นเพื่อรูอ้เพื่อรู้จักอัฏฐาธะของขันห้าตามที่ขันห้ามันเป็นพระองค์เนี่ยตามศึกษาวิจัยอัฏฐาธะความน่าพอใจความน่ายินดีของขันห้าเสียสงขขยแสนกับเพราะตั้งปฏิญาณที่จะบรรลุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือตั้งปฏิญาณเพื่อที่จะจะขอเรียนรู้อัฏฐาธะของ ความน่ายินดีของขันห้าทั้งมวลในขณะเดียวกันบอกว่าเราจะขอเรียนรู้พิษภัยโทษความเลวร้ายของขันห้าโดยประการทั้งปวงเรียกว่าแสวงหาอาทีนวะของขันห้าแสวงหาอาทีนวะของขันห้าว่าคือน่าชื่นใจนี่เห็นแล้วมันมีโทษอย่างไรบ้างเราพูดแบบสมัยใหม่ว่าข้อดีข้อเสียของสิ่งนั้นอะนเช่นมีรถคันหนึ่งโกะยังไงดียังไงอะแล้วถ้าเสียหายยังไงบ้างอ่ะนะเป็นต้นนั้น ก็คือคิดเป็นคนที่คิดมากคิดคิดมากหมายความว่าในเรื่องเดียวทบทวนแล้วทบทวนอีกวิจัยแล้ววิจัยอีกใคร่ครวนแล้วใคร่ครวนอีกเพราะสิ่งเดียวกันสะท้อนมาซึ่งความสุขในขณะสิ่งเดียวกันก็สะท้อนมาซึ่งความทุกข์สะท้อนให้สุขแล้วก็สะท้อนให้ทุกข์สะท้อนให้เย็นพักเดียวแล้วที่เหลือก็สะท้อนให้ร้อนหมดเลยอย่างเงี้ยนะสะท้อนให้เย็นสะท้อนให้ร้อนสะท้อนมาซึ่งความสุขสะท้อนมาซึ่ง ความทุกข์สะท้อนมาซึ่งวัตตะทั้งหลายก็วิจัยไปใครครวรไปเท่าที่พิษภัยของขันห้าจะมีอยู่มันวิปัสสนาระดับสูงเนี่ยคือวิชาว่าด้วยการตามเพ่งภัยของขันห้าก็เรียกอะไรนะวิปัสสนาพยตูประธานญยานอุยมหาภัยทั้งนั้นเนี่ยนะนะ อาทีนวายานมหาโทษทั้งนั้นนิพิธายานมันน่าเบื่ออย่างนี้มุนจิตุกรรมมยตายานอยู่ด้วยไม่ได้ต้องออกต้องออกออกออกออกอย่างเดียวสรุปว่าออกให้ได้ต้องออกโดยส่วนเดียวนั่นคือลักษณะของวิปัสสนาญาณระดับสูงนั้นเป็นอย่างนั้นยิ่งวิปัสสนาระดับสูงยิ่งไม่ชื่นชมขันท่าโดยประการทั้งพวงก็สูตรเขาบอกว่าอริยสาวกไม่ต้องการไม่ชื่นชมกรรมมคุณอันเป็นของทิพย์จะกล่าวไปใยัยถึงกรรมคุณอันเป็นของมนุษย์เหล่า นะเพราะท่านรังเกียจมากบอกพบแม้แต่มีเล็กน้อยก็น่ารังเกียจเพราะอะไรพบใดๆที่ไม่นํามาซึ่งชาติชรามรณะก็ไม่มีท่นานสรุปว่าต้องการออกโดยส่วนเดียวต้องการออกโดยส่วนเดียวเนี่ยนะเมื่อต้องการออกอย่างไ้เข้าจะต้องรู้ว่าออกได้ยังไงเพราะวิธีการออกนี่ไม่ไม่ใช่ออกง่ายๆนะไม่ใช่ออกง่ายๆวังบนแห่งวัตฏะออกยากกว่าวงบนแห่งยาเสพติดอีกเพราะคนที่ออกจากวังบนแห่งยาเสพติดนี้ออกได้ไม่ใช่น้อย แต่คนที่จะออกจากวังวนคือวัตตะไม่มากเนี่ยนะจะมากก็สมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาลต้นๆแต่ว่าต่อหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคนที่ออกจากวัตตะและประสบความสําเร็จน้อยนะ น, นะเพราะว่าวังวนแห่งวัตตะเนี่ยมันน่าชื่นใจเนี่ยนะมันมันน่าเพลิดเพลินเจริญใจแต่ในที่สุดมันก็สูบลงไปสูป่อบายทุกติวินิบาตนระกพอไปถึงนั่นก็จบเลยทําอะไรไม่ได้เนี่ยนะไม่รู้จะไปแก้ปัญหาตรงไห น, นไม่รู้จะไปเริ่มต้นตรงไห น, น เนื้อในใจนะถ้าเราไปเกิดเป็นปลายอยู่บ่อพุทธมนทนเนี่ยไปทำอะไรได้เนาะเยอะมากะนะวันก่อนโยมเขาเอาไปอาหารไปเท่าไหร่ไหมร้อยเก้ากระสอบนะนะก็ประมาณสองพันกว่ากิโลสองพันะ2000กว่ากิโลเนี่ยสองพันระ้อยแปดสิบกิโลก็บอกว่ากำลังอิ่มพอดี